อันนี้ก็โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเราก็ปฏิบัติทำกันมาสองวันเต็มๆสองวันเต็มๆกันนิดหน่อยจะบอกว่าสามวันก็คงไม่ใช่นะสองวันเต็มๆหน่อยเพราะว่ากว่าเราจะเข้าก็บ่ายโมงใช่ไหมเลิกนี่ก็ยังไม่สามทุ่มเลยยังไม่เลิก นั้นเราเลือกใบ่ายมัก็ได้แค่วันหนึ่งเต็มที่สองวันตัวเฉลีย่ยไปเพราะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ใช้เวลาที่เขาจะเอาเวลาที่เรามีไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเล่นกินดื่มเราก็เลือกได้แต่ท่านทั้งหลายก็เลือกที่จะมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเลือกที่จะใช้ มาเพิ่มศัายภาพให้จิตใจตัวเองเลือกที่จะมาดูแลจิตใจของตัวเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ง่ายยิ่งถ้าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยดูตามทีวีก็ตามในสื่อต่างๆอย่างอื่นน้อยที่เขาจะมาประกาศว่า เราไม่ใช้วันหยุดไปทำความสงบใจกันนะไม่มีมีแต่วันหยุดนี่ร้านเราเปิดนะมาเที่ยวร้านเรา่ตรงนี้ลดราคาห้าสิบเปอร์เซนต์มาเที่ยวตรงนี้หน่อยก็จะมีแบบนั้นสมอแต่การที่เราได้ได้รู้ว่าตรงไหนที่มันมีกิจกรรม ที่ได้ฝึกหัดอบรมดูแลรักษาจิตใจแบบนี้เนี่ยเราก็ได้เลือกใช้ก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นคนไม่มีบุญก็ไม่ใช่ต้องคนมีบุญสิถึงจะได้มาแต่คนไม่มีบุญเนี่เขาเลือกไปนู่นแล้วดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ฆ่าปลาไปเราก็ถือว่าเรามีบุญแล้วเราเห็นคุณค่าของการที่เรามาทำความสงบใจ เราเห็นคุณค่าของจิตใจซึ่งจิตใจมันเป็นใหญ่เป็นประทานของความสุขความทุกข์ของเราจริงๆทีนี้ที่เราได้ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไม่อาจละไม่ใช่ทั้งหมดของของที่พระพุทธเจ้าท่านอยากจะให้เราได้ไปแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นต้นทุนได้บ้างให้กับ ทุกท่านที่จะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็ใช้เป็นเป็นต้นทุนน่ที่จะเอาไปต่อยอดของตัวเองต่อไปเอาไปใช้เพื่อพัฒนาความสุขทางจิตใจให้ใหมันมากขึ้นแล้วก็ใช้เพื่อที่จะป้องกันความทุกข์ในจิตใจของตนให้มันละเอียดละออขึ้น ซึ่งอันนี้ก็หมดโปรโมชั่นแน่นอนวันนี้หมดโปรโมชั่นความสงบแล้วความสงบที่เราตุนได้วัน2วัน3วันเนี่ยกลับไปมันก็จะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน1วันมันก็จะหมดไปแบต ท, ที่เราชาร์จอันนี้ก็จะอยู่ได้1วันโดยประมาณไปทำงานอาจจะโอ้ดีมากเลยฉันไปปฏิบัติธรรมมากินหรูอยู่สบายนั่งสมาธิฟังธรรมจิตใจป่องใสเบิกบาน วันนี้ฉันจะไม่โกรธใครวันนี้ฉันจะเมตตาทุกคนเลยเสร็จปุ๊บไปที่ทำงานไม่พ้นครึ่งวันหรอกมันต้องมีเรื่องมากวนใจเราแน่นอนมันต้องมีข้อสอบคนปฏิบัติธรรมนี่ไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับมาอยู่คอร์สปฏิบัติธรรมเสร็จเอาน้ำมนต์ลาดฟุ้งๆแล้วก็โอ้บรรลุธรรมกันหมดไม่ใช่คนที่บรรลุธรรมจริงๆเขาต้องทนต่อการพิสูจน์ด้วย หมายถึงว่าเรากลับไปแล้วเราก็ต้องโดนทดสอบหน่อยโดนทดสอบกับอาวุธที่เราได้ไปว่าเราใช้เป็นไหมเราใช้ดีไหมใช้ถูกหรือยังคล่องตัวหรือเปล่ามันต้องโดนทดสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนว่าโดนแน่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้กลัวนะหมายถึงว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีที่เราจะได้รู้ว่า ศักยภาพของเรามันอยู่ตรงไหนเราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างตรงไหนที่เรายังบกพร่องเราก็จะได้รู้รู้แล้วเราก็เอาเอาวุธเอาศักยภาพที่เรามีนี่แหละเอาไปค่อยๆลองปรับปรับสู้ดูค่อยๆปรับค่อยๆหาพลิกแปลงไปทีละหน่อยสองหน่อยอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของตัวเองของแต่ละท่านที่จะต้องไปฝ่าฟันกับอุปสัก ในชีวิตของตัวเอง อ, อย่างบางคนอาจจะอยู่ในวัยทางานบางคนอาจจะอยู่ในวัยเกษียณแล้วอะไรเงี้ยข้อสอบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างคนในวัยเกษียณแล้วก็สบายหน่อยไม่มีเรื่องที่จะต้องวุ่นวายกับการทำงานไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายที่จะต้องกดดันว่างานไม่เจ๊งเงินไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ข้อสอบมันก็จะต่างกันไปอย่างคนวัยเกษียณเนี่ยข้อสอบก็ต้องแบบว่า อ้าวฉันเหงาฉันเบื่อฉันไม่มีเพื่อนเที่ยวหรือไม่ก็ต้องบอกอ้อฉันสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงข้อสอบแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเจอกับคนที่อยู่ในวัยทำงานใช่ ไ, ไวัยทำงานมันเจอแต่ผู้คนเจอเพื่อนฝูงนันก็ข้อสอบคนละอย่างอีกทั้งอายุอานามก็ทำให้ร่างกายก็ยังไม่ได้เสื่อมไปมาก เพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มาจากร่างกายที่มันเสื่อมลงไปก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดเท่ากับคนที่อยู่ในวัยสูงอายุเพระฉะนั้นกลับไปก็เอาไปใช้ให้ดีกลับไปเราก็พยายามทําให้มันกลมกลืนกับชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่ว่ากลับไปปุ๊บ เพื่อนมองเลยเฮ้ยทำอะไรมาแปลกๆอยู่ดีๆก็ก่อนกินข้าวนั่งหลับตาไว้เดี๋ยวไม่เวลาเดินเนี่ยทำไมมันเดินก้มหน้าก้มตาดูแต่เท้าอย่างเดียวอะไรไม่ใช่เราก็พยายามทําไม่ให้มันแปลกแยกกับเพื่อนฝูงไปด้วยนะคนมีธรรมะเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยคนคนก็ดูไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเป็นงานภายในเขาปฏิบัติที่จิตใจ อย่างคนดูลมหายใจอยู่เงี้ยใครจะมารู้กับเราว่าเราดูลมหายใจเขาก็ไม่รู้หรอกอย่างเรานั่งทาท่าอ่านหนังสือไปเงี้ยเราดูลมหายใจไปไม่มีใครรู้หรอกเขาก็เห็นว่าเราอ่านหนังสืออย่างเราทำงานอยู่เราอยากจะพักเราก็เอาใจมาไว้ที่ลมหายใจพักสักนิดหนึ่งนาทีสองนาที่ให้ได้พักใจบ้างเจ้านายไม่รู้หรอกใช่ มันก็จะเป็นเราคนเดิมเป็นเราที่ปกติเหมือนที่เขาคุ้นเคยกันแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือความรู้สึกภายในของเราเอง ส, สมรรถภาพในการดูแลจิตใจของเราที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็ก็พยายามทาให้มันกลมกลืนมันจะได้ไม่ดูแปลกแยก แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นนี่แหละว่าจริงๆแล้วธรรมะมันแทรกเข้าไปได้ทุกๆจังหวะของชีวิตของเราจริงๆถ้าเราทันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราได้ความสงบนีก็ไม่ใช่ทาให้มันเป็นคนขี้เกียจโอ้ฉันปฏิบัติธรรมฉันมีความสุขทางใจเพรความสุขที่แท้จริงมันคือความสุขทางใจแต่สุดท้ายเป็นไงอ่อไม่อยากทางานแล้วเบือ่อ เปื่อมีแต่เรื่องวุ่นวายอันนี้มันก็กลายกลายเป็นนักหลบนักหลบปัญหาไปเพียงแต่ว่าคนปฏิบัติรทำก็อย่างที่ว่าเขาก็ไม่ย่ยอท้อต่อทุกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าคารวาะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคับแคบไงงก็คือมันก็ต้องหายอยู่หา ก, กินอย่างนี้แหละ อยากจะหยุดลางานยาวๆมันก็ลำบากใช่ไหมอยากจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้ดังใจแหละมันก็คับแค่พอสมควรแต่อัมันจะอาจจะกว้างขวางในความสุขทางกลามแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความสุขทางใจแล้วันก็บอกมันคับแค่มันมีโอกาสน้อยที่เราจะได้มาฝึกหัดแบบนี้ที่นี่ พอเราได้ริมลดความสุขทางใจความสงบทางใจแบบนี้แล้วเนี่ยก็อยากทาให้เราเป็นคนเฉยแฉะไม่เอาธุระทางโลกเพราะเราต้องอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องเอาธุระทางโลกไปด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆค่อยๆที่จะปรับให้มันสมดุลกัน่ะเหนื่อยก็พักไม่ใช่ว่าเหนื่อยกายแล้วก็พักนะเหนื่อยใจแล้วก็พักนะ รู้จักที่จะให้อาหารใจดีๆอย่างเนี้มันจะพอไปได้คนปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราบอกว่าเราปฏิเสธเราไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากเจอแบบนี้อีกนี่นะถ้าเราเลือกได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือก็ต้องทําไปใช่ไหมการงานอาชีพคือต้องประกอบไปทําไปไม่งั้นเรามีปัจจัยสี่ไม่ได้ ถ้าไม่มีไม่มีก็อยู่ไม่ได้ใช่แต่ทํายังไงให้อยู่แล้วคุณธรรมของเรามันไม่ลดลงทําแล้วคุณธรรมของเราก็เพิ่มพูนขึ้นได้อันนี้สําคัญอย่างคนที่อยู่ทํางานนะก็เอางานเป็นข้อสอบเป็นเครื่องฝึกใจนี่แหละเราก็จะได้เท่าทันจิตใจเรามากขึ้นเราจะได้ อย่าง น, น้อยคุณสมบัติหลายๆอย่างอย่างเช่นความเพียรก็ดีก็จะได้มีมากขึ้นความอดทนอดกลั้นก็ดีก็จะได้มีมากขึ้นความขยันหมั่นเพียรงเียมันมันเป็นคุณธรรมจำเป็นความมีเมตตานี่ก็จาเป็นใช่อย่างคนเราประกอบอาชีพอยงเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นน่แหละซึ่งถ้าเราจะให้ดีเราก็ประกอบไปด้วยเมตตานี่มันก็จะดี อย่างคนทํางานค้าขายเนี่ยมันก็มีสองลักษณะคนเอากำไรเป็นตัวตั้งความโลภเป็นตัวตั้งมันก็เอากำไรมากๆเข้าไว้แต่คนที่เขาทําแล้วเขาอยากได้ความสุขทางใจพัฒนาจิตใจเขาเอาอะไรเขาเอาเมตตาเป็นตัวตั้งราคาก็ตั้งให้มันสมเขสสมผลกับค่าแรงวัตถุดิบที่เราใช้แต่สิ่งที่สำคัญคือพอเรามีเมตตาใช่ไมเมตตา เพืพ่อแผ่กับลูกค้าเราก็ไม่เอาเปรียบเขาเพราะไม่เอาเปรียบเขาของดีที่เราเลือกล้วก็ทำอย่างประนีปไม่ได้ทำส่งเดชเพราะฉะนั้นมันก็ขายมันคุ้มราคาอย่าให้มันขาดทุนถ้ามันขาดทุนหรือกำไรแล้วเราอยู่ไม่ได้ที่มันมีน้อยเกินไปมันก็เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีความ ตั้งจิตของเราอ่ะในการทำงานของเราอย่างไงถ้าเราตั้งจิตของเราบนธรรมะบนเมตตาหรือว่าคุณธรรมดีๆหลายๆอย่างเราก็ทำงานได้สบายขึ้นแล้วเราก็เวลาคนมีธรรมะเนี่ยเขาก็เอาเาเรียกว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่เอาผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นตัวตั้งเพราะเราทำงานกับคนอื่นแล้วก็อยากให้เขาได้ดี ได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่อันหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์เราก็ไม่เสียอันนี้ก็สมควรที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพัฒนาการงานมันก็ต้องทำไปพัฒนาไปจิตใจมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยให้มันควบคู่กันไป เราบอกว่าเราจะพัฒนาแต่จิตใจอย่างเดียวเบื่อแล้วไม่อยากทำงานอย่างนี้กิเลสเอาไปสอยเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาเลยแหละถ้าเรารู้ทำงานภายนอกข้างนอกมันเหนื่อยจิตใจเราไม่ได้เหมือนคนกินข้าวไม่อิ่มเราก็ต้องหาเวลาที่จ ะ, อ, ะอดทนไว้หาเวลาไปชาร์จแบตบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็พออยู่พอไป การงานอาชีพเราก็พัฒนาไปได้คุณธรรมเราก็รักษาไว้ได้มันก็ต้องให้มันควบคู่กันไปถ้าเราไม่ได้รวยแบบพันล้านเหมือนล้านแล้วไม่ต้องทํางานก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเรายังต้องทํางานหาอยู่หากินอยู่มันก็มันเป็นเรื่องจําเป็นถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นมันก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มันมีแบบนี้ให้ได้เงื <dles> ่อนไขก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพรา น, นเราก็เอาธรรมะที่เรามีเนะี่ยไปปรับใช้ให้มันพอดีให้มันสมดุลกับกับชีวิตของเราแต่หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้นะัก็คือสติที่เราจะคอยมีสติที่ลมหายใจที่จมเพาะหน้าคอยสังเกตใจเราเรื่อยๆถ้าเราทําอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆธรรมะที่มีเราก็จะรักษาไว้ได้ความสงบที่เรามี เราก็จะคอยเติมมันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดังนั้นก็เป็นโอกาสดีเนะี่ยที่เราได้มาเรามาเราได้ฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราได้โกยบุญโกยกุศลไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเราไปเกิดในยุคสมัยที่ไม่ได้มีการฝึกหัดปฏิบัติแบบนี้เนี่ยโอ้ลาบากเลย ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญไม่มีโอกาสที่จะรู้วิธีทำความสงบใจไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพื่อที่จะทำให้ใจมันได้หน่ายคลาํกำนัดได้แต่ต้องบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นสภาวะธรรมแล้วมันก็หน่ายแล้วหน่ายนะัันไม่ใช่เบื่อหน่ายนะ หน่ายก็คือมันไม่เห็นสาระแก่นสารในสิ่งนั้นๆมันก็จึงหน่ายแต่ไม่ใช่เราเบื่อมันเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งกับเบื่อหน่ายมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นความหน่ายก็คือเรารู้สึกมันไม่มีคุณค่าสาระกับการที่เราจะผูกใจเอาไว้มันคนมีคุณธรรมแบบแบบนี้เนี่ยมันไปพ้นทุกข์ได้เราฝึกก็เพื่อที่จะให้เรามีความหน่าย ในสิ่งต่างๆที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่หลงไปยึดเอาไว้แล้วที่สำคัญก็คือหมั่นที่จะพิจารณาด้วยนะกลับไปแล้วเนี่ยนอกจากจะมีสติรักษาใจแล้วหัดเข้าสมาธิแล้วก็อย่าลืมที่จะคุยกับตัวเองบ่อยๆเห็นใจตัวเองก็คุยกับตัวเองบ้างจะไม่ใช่คุยมันแบบ มันคนบ้าข้างถนนนะคุยไวเพื่อเจอกันไม่ใช่นะหากที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองหากที่จะสอบถามสอบทวนดูว่าทำไมเราคิดอย่างนั้นทำไมเรารู้สึกแบบนั้นแล้วถ้ามันเป็นทุกข์มันเพราะอะไรแล้วมันเป็นเหตุผลนั้นจริงหรือเปล่าที่ทำให้เราเป็นทุกข์<ม>ก็ลองลองคุยกับมันไปเรื่อยๆพอเราได้คุยเราก็จะได้เข้าใจ เข้าใจจิตใจตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วบางอย่างเราก็เห็นผิดบางอย่างเราก็คิดผิดพอเราได้ฟังเหตุผลจากผู้รู้บางทีมันก็ได้แง่เงื่อนว่าเออที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีความเห็นที่มันถูกต้องนะในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเรามีความเห็นผิดอตอนนี้เราได้ฟังแล้วเราก็มาเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนความเห็นในใจเราให้มันถูกตรงถูกต้องมากขึ้น เพราะฉะนั้นความสงบก็อย่าอย่าละทิ้งและสำคัญก็คือต้องหมั่นพิจารณาหัคุยกับตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าอะไรเพราะอะไรและที่สำคัญก็คืออย่าละเลยที่จะพิจารณาร่างกายตัวเองบ่อยๆอันนี้สำคัญนะสคัญการเราการที่เรามาพิจารณากายเราได้บ่อยๆ มันก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารได้ได้ง่ายพอเราเห็นถึงความไม่มีแก่นสารของร่างกายแล้วเนี่ยอย่างอื่นๆมันก็จะเห็นง่ายไปด้วยว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเช่นเดียวกันดูแล้วก็เหมือนจัน ง, งานเยอะแต่จริงๆแล้วเรามีลมหายใจการที่เรานึกถึงความตายบ่อยๆมันก็เป็นเครื่องเตือนสติเราได้ดีพอเราเนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ทาให้เราไม่ประมาท สุดท้ายทุกอย่างมันจบลงตรงที่ความตายใช่ไหมาสาระแกนสารมันจะมาจากไหนตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึงดังนนเวลาที่เรามีสติแล้วก็คอยหมั่นเตือนตัวเองอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะได้คุณธรรมที่เรียกว่าความหน่ายความหน่ายในอารมณ์เกิดขึ้นพอมีความหน่ายมันก็คลายความยึดถือความยึดมั่น ถ้ายิ่งเราพิจารณากายเราบ่อย ๆ, อยๆเห็นบ่อย ๆ, อยๆมันก็จะได้ถอดถอนเอาสังโยชน์คือเครื่องผูกรัดให้จิตเรามันคล่องอในวัตตาอันนี้ที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิออกไปอย่างน้อยๆไม่ได้เป็นพระอรหันต์เอาสักกายาทิฏฐิออกให้มันได้โสดาบันก็ยังดีใน้สดาบันอย่างน้อยๆแล้วก็รับประกันตัวได้ว่าไม่ ไม่ตกนรกแน่นอนอีกทั้งชาติการเกิดที่มันจะมีนับไม่ถ้วนเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดเหลือแค่เจ็ชาติเท่านั้นเป็นอย่างมากถ้าเรามีคุณธรรมที่มันละเอียดก็าอาจจะเหลือแค่ 2-3 สชาติหรืออย่างที่เราไปอ่านในตำราตําราเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบโกลังโกละเกิดหลือแค่สองสามชาติานั้น หรือถ้าจะให้ดีพัฒนามันไปจนเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยก็ยิ่งดีไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายอีกให้มันวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลทำง่ายายที่ลมหายใจที่สติเฉพาะหน้าเราแค่นี้เอง